8. กุมารีภูตวัคหมวดว่าด้วยกุมารีสิกขาบทที่หนึ่งว่าได้การบวชให้กุมารีอายุต่ำกว่า20ปีเรื่องพิกษุณีหลายรูป 1,119 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเสฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น